ท่านฟังที่เคารพคะ่ะนี่คือรายการสัสม น, น, นาสนทนาดิฉันสรรเสริญนาคพงดําเนินรายกา ร, รพระภิกษุรูปแรกคือพระมาชาคาวโรเพิ่งผ่านไปกับการนําเอาพุทธวจนะมาอ่านให้ท่านฟังและวก็นำทุกท่านปฏิบัติธรรมตอนนี้จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้ฟังรพระภิกษุอีกรูปหนึ่งทาง f อฟเอร้แห่งนี้นะคะนั่นก็คือพระภัย บ, บุ์อภิปุนโนจากวัดปาดอนหายโศมณฑนีคะ่ะกราวในวัสดิ ก, กานะทั้นคะ เชิพานาทานวัตกรรค่ะท่านคะท่านพยบุญคะวันนี้อยากจะกราบเรียนถามท่านเรื่องของคําพูดเรื่องการพูดว่าพูดอย่างไรที่จะไม่ผิดศีลแต่จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่พูดโกหกจากนี้นเป็นข้อหนึ่งค่ะท่านคะบางคนเขาบอกโกหกนะครับบางทีมันก็จําเป็นนะคะเช่นอ่าพยาบาลหมอ อาจจะดูว่าคนไข้คนนี้พูดความจริงไม่ได้ว่าโรคที่ท่านเป็นสงสัยจะมีชีวิตอยู่ไม่กี่วันอะไรเงี้ย น, นะคะต้น อ, อย่างนี้ถือว่าโกหกไหมคะก็จะต้องพูดถึงเรื่องของวาจาก่อนนะมันจะต้อง<ะ>ไล่จากกระบวนการใหญ่ๆลงมาก่อนคือพอจิตของเราเนี่ยถูกต้องด้วยภาษาใดสักอันใดหนึ่งทังตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจใช่ไหม พอจิตของเรายังถูกต้องด้วยระบบนี้อยู่เนี่ยถ้าจิตเรายังมีตัณหามีกิเลสมันก็จะต้องมีการตอบสนองออกมา3อย่างคือเข้ามา6ทางใช่ไหมมันถูกต้อ ง, <c oughs> ต, องตุ้มเข้าที่จิตเนี่ยจิตจะต้องตอบสนองออกมา3อย่างไม่ด้วยการกระทําทางกายก็การกระทําทางวาจาก็เป็นการกระทําทางใจซักอันใดหนึ่งทีนี้กระบวนการที่เราตอบสนองออกมาสมมุติตอนนี้เราลองพูดถึงเรื่องวาจาถูกไหมค่ะ <c oughs> วาจาที่คุณจะตอบสนองอมาได้เนี่ยคือมันก็ออกมาทางปากใช่ไหม ก่นที่คุณจะพูดออกมาบางทีคุณต้องรีบเร่งคําพูดก่อนก็มีอันนี้กรณีที่หนึ่งหรือว่าพูดโผล่ออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งคําพูดก็มีค่ะทีนี้ไอ้วาจาที่มันออกมาเนี่ยผู้เช้าก็ไม่ได้ห้ามว่าคุณห้ามพูดนะหรือคุณห้ามพูดเรื่องนี้คุณห้าพูดเรื่องนั้นคุณพูดเรื่องอะไรได้ก็พูดเป็นกลางๆว่าเออไอ้ที่คุณพูดออกมาเนี่ยเออก็ให้อยู่ในมาตรฐานของวาจาที่ดีที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะมีมาตรฐานความถูกต้องอยู่ มาตรฐานความถูกต้องที่พระเจ้ายกเอาไว้ในที่เราทราบกันก็คือว่าเออถ้าคุณเห็นอย่าบอกว่าไม่เห็นถ้าคุณรู้อย่าบอกว่าไม่รู้ถ้าคุณได้ยินอย่าบอกว่าไม่ได้ยินหรือถ้าคุณไม่เห็นอย่าบอกว่าเห็นถ้าไม่ได้ยินอย่าบอกว่าได้ยินนี่คือลักษณะของการโกหกอ่าทีนี้ถ้าคุณทําเป็นปกติอาแสดงว่าคุณมีความปกติคือความโกหกแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนโกหกโดยปกติอความปกติด้วยความไม่มีโกหกเนี่ย คือสีนของเถอใช่ไหมทีนี้บางคนเนี่ยก็ไม่ได้โกหกอยู่เป็นปกติแล้วจะมีโกหกอยู่เป็นไม่ปกติอยู่บ้างแสดงว่าสีนคุณด่างะนะด่างร้อยนึกออกไหมค่ะทีนี้ไอ้สีนด่างพร้อยแล้วทะลุเป็นยังไงทะลุ ก, ก็คือความที่เราทําอย่างไม่เป็นปกติคือคือทำโกหกเป็นปกติอะ่ะคือสมมุติจํานวนคําหรือจํานวนเสียงที่ออกจากปากของเราเนี่ยนะคิดเป็นร้0ยเ ปกติคุณไอ้ที่ร้อยออกมาเนี่ยมีโกหกมากกว่าหรือโกหกน้อยกว่าถ้าโกหกมากกว่าแสดงว่าคุณโกหกอยู่เป็นปกติแต่ถ้าโกหกน้อยกว่าคือไม่มีคําไม่โกหกมากกว่าแสดงว่าคุณไม่โกหกอยู่เป็นปกติและไอ้ที่โกหกโกหกเนี่ยเป็นเรื่องดังๆปรอยๆนะก็จะเป็นความดังความร้ายของความปกติของคุณใช่ไหมอันนี้คือข้อที่1นึ่งผู้ชาก็ค่อนข้างบัญญัติไว้ชัดเจนเรื่องเรื่องของการโกกคืออะไรนะคือเห็นบอกไม่เห็นรู้บอกไม่รู้ แต่ถ้านิ่งอยู่ไม่ได้พูดเห็นไหมคือบางทีอย่างกรณีที่คนยศติพูดถึงเรื่องหมออย่างเงี้ยจะอธิบายให้คนไข้ฟังบางทีตรงๆไม่ได้ต้องบอกญาติเขาบอกญาติเขาตรงๆแต่บอกตัวเจ้าของอาจจะนิ่งๆพูดเลี่ยงๆไปแต่ก็ไม่ได้เป็นคำโกหกนะพูดเลี่ยงๆไปเรื่องอื่นแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวโดยที่ไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่แท้จริงอย่างเงี้ยคือการบอกข้อมูลไม่หมดเนี่ยไม่ใช่เป็นการโกหกแน่นอนนะแต่ถ้าคุณบอกว่า สมมติคุณรู้ว่าตัวเลขมันเท่านี้แต่คุณไปบอกอีกตัวเลขหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้มันโกหกแน่แต่ถ้าคุณไม่ได้บอกตัวเลขนี้เลยข้าบตัวเลขนี้ไปเลยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการโกหกนะอ่านี่คือที่พระเจ้าบัญญัติไวนะ้นะค่ะทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของการไม่พูดคาหยาบไม่พูดคาหยาบนี่คือความเรียก ม, มาตรฐานนะที่ถูกต้องของ การที่จะปรุงแต่งออกมาทางวาจาที่ผู้เช่าบัญยัติไว้ไม่คําหยาบนี่บางคนจะเข้าใจเฉพาะไอ้ที่ขึ้นต้นได้วยกอไก่มอม้มาพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นภาษาสมัยพ่อครูเรากระแหงไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังรวมถึงภาษาที่ผู้เชาบอกว่าเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเบียดเบียนกระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคํหวานหวานสนับหูแต่ฟังแล้วมันบาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้คําวาจาหยาบแน่นอน เป็นวาจาหยาบเหมือนกันเนาะเราเคยเห็นห ล, ลายๆกรณีที่โอ้โหพูดหวานหูมากเลยฟังแล้วดูดีไม่มีภาษาครอบพกุดรามสักนิดหนึ่งโอ้โห <c oughs> แต่มันเป็นคําหยาบที่ที่รุนแรงเหมือนกันนะนะอันนี้พระเจ้าก็ห้ามเอาไว้พวกใบมิดโกนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่าเอ๊ะแล้ว เ, เราจะทำยังไงถ้าเราจะต้องการจะพูดเตือนคนอื่นนาะหรือว่าต้องการที่จะพูดให้เขารู้สึกตัวพระพุทเจ้าก็พูดถึงการ การชี้โทษอยู่นะชี้โทษค<ะ>ือ ก, การเพ่งโทษกับการชี้โทษเนี่ยไม่เหมือนกันจะต้องพูดประเด็นนี้ด้วยคุณยมติว<ะ>คือคนเพ่งโทษเนี่ยอะไรอะไรมันก็หามาใส่โทษให้เราได้อย่างที่เราเคยคุยไปในรายการหลายๆครั้งว่าแค่ยิ้มอย่างเงี้ยเอามันยังมาด่าเราได้เว้ยหรือเรานั่งอยู่เฉ ย, ก, ยก็ยังมาหาเพ่งโทษเราได้อย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของการเพ่งโทษแต<ะ>่คนชี้โทษเนี่ยคือพูดทั้งเหตุผลว่าไอ้นี่มันบไม่ดียังไงแล้วก็อธิบายถึงทางแก้ให้ด้วย เราก็อาศัยความเมตตาในการที่จะชี้โทษคือไม่ใช่ทําเพราะว่าความโกโรธหรือว่าทําเพราะอากุศลธรรมอย่างคนเพ่งโทษเนี่ยจิตของคนที่เพ่งโทษเนี่ยคือมีมีพยาบาทหรือมีโมหะหรือมีมิจฉาทิจิละครอบงาในจิตเขาอยู่เขาจึงเพ่งโทษออกมาแต่คนที่ชี้โทษเนี่ยอย่างเราจะไปห้ามใครสักคนใดคนหนึ่งอย่างตำรวจไปห้ามคนที่มาซื้อของตามริมทางหลวงอย่างเงี้ยนะคุณยำเติวหรือในกรุงเทพนี่กามีอะไร ซื้อก้วยแขกเนี่ยนะตามสีแยกน ะ, ะตำรวจไปห้ามตำรวจไปห้ามเพราะอะไรถ้าตำรวจไปห้ามนี่เพราะว่ามันเป็นตามกฎหมายผมต้องห้ามผมมีความยึดติดในกฎหมายผมต้องทําคุณต้องถูกจับ<ะ>คุณต้องถูกดาก่าคุณต้องถูกปรับอันนี้ก็จะเป็นโทษสาใช่ไหม<ะ>แต่ถ้าตำรวจเนี่ยทำเพราะด้วยความที่ว่าโอ้อย่าซื้อกันเลยเพราะว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยมันมีอุบัติเหตุนะมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ้านมึงก็ไม่เรียบร้อยอาหารมันก็สกปรกนะมีฝุ่นควันโอ้อย่ากินเลยห้ามห้าหยุดหยุดหยุดอย อันนี้จิตเขามีความเมตตาเป็นการชี้โทษด้เหมืนกันนะ mm hmm. ก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยวาจาของเราในการที่จะเออเป็นผู้ที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคําขนาบนี่พระเจ้าบอกนี้การกล่าวคําขนาบกับการกล่าวคำหยาบไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงอ่า mm hmm. การกล่าวคําหยาบนี่คือจิตแตกออกจากสมาธิแต่การกล่าวคําขนาบเนี่ยเพื่อให้จิตที่มันออกนอกลูก่นอกทางออกนอกมาร์กเนี่ยมันกลับเข้ามาในต่าง ดังบางทีคุณต้องตีขนาบเข้ามาให้อยู่ในทางบ้างค่ะแล้นี้นพระเจ้าก็ใช้บทพิัญชนะคุรเลอันอยู่ล<ม>ะอืมอืมนีค่ะค่ะค่ะนีิมนต์ขึข้ น, น ต, ต่อไปพระเจ้ า, าก็พูดถึงความเอไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดเนี่ยคือไม่พูดยุยงให้แตกกันค่ะในภาษาอีสานพื้นบ้านเนี่ยก็จะพูดว่าสับสอไม่พูดสับสอสับสอใช่สับสอคือยุยงให้คนแตกกันค่ะ ไม่ฟังคำความข้างนี้เพื่อไปบอกข้างนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือฟังความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนั้นนัดแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับดีกันนัเอ่อยินดีพร้อมเปลียงนะัมีความยินดีความพอใจในความร่ำเรียงกันกล่าวแต่วาจารที่ทําให้เกิดความร่ำเรียงกันถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปบอกอีกคนหนึ่งเพื่อเขาที่จะเอ่อให้มาอยู่พวกเดียวกับกเราว่าไอ้คนนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่ง นะคุณกําลังพูดวาจาส่อเสียดค่ะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในมาตรฐานของวาจาที่ควรจะทําน ะ, ะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าพูดส่อเสียดนะเราแค่ okay, ว่ามันมีเป็นพักเป็นพวกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยก็เพรายว่าวาจาส่อเสียดนี่แหละแต่ถ้าเราละตรงนี้ไปได้ปุ๊บบ้านเมืองเราจะสายเม่อี้ขึ้นทันทีเลยคุณยมติว <c oughs> อูดดูจริงๆเอาเราอยู่ในอย่างดูในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน แตถ้าอาวาจาสอดสิีออกไปปุ๊บเนี่ยอแบ่งฟัลแบ่งฝ่ายเนี่ยมันมันจะไม่มีเลยนะทุกคนจ ะ, ะสมัครสมานสา ม, มาัคคีกันคแค่นั้นเองจบเลยอืมค่ะส่วนส่วนอันสุดท้ายเนะียที่พุช้าพูดถึงก็คือวาจาเพอเจอร์ในะวาจาเพอเจอร์นี่เอคือการแบบกล่าวโดยไม่มีหลักฐานที่อ้างองิงอยู่ๆก็พูดลอยๆขึ้นมาคิดเอาเองนะหรือว่า ว, าวาจาที่ไม่มี ไม่รู้ไม่รู้จักเวลาเริ่มเวลาจบไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทําไม่ใช่วินยัยเป็นพูดเล่นตลกโปกหาอย่างนี้นะี่ซึ่งอันนี้ประเด็นเราเคยชี้ไปแล้วว่าเออถ้าเราจะพูดตลกตลกมุกตลกอย่างเงี้ยแต่ไม่เพิร์เจอร์มีไหมคําตอบคือมีแน่นอนค่ะนะคือวาจาบางทีมุกตลกเงี้ยบางคนบอกต้องเพิร์เจอร์เท่านั้นอยู่ในวงเล่าต้องคุยเรื่องเพิร์เจอร์ถึงจะตลกมันไม่จําเป็นคร<ะ>ับ่ะขอย้ําเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรคะความความหมาย ของธรรมว่าเพ้อเจ้ออีกครั้งได้ไหมคะที่เป็นพุทวจนะค่ะพุาบอกว่าเป็นวาจาที่ไม่เป็นธรรมไมเป็นวินยัยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงนะไม่มีประโยชน์ไม่สมควรแก่เวลานี่คือลักษณะของวาจาเพ้อเจ้ออพูดผิดเวลาก็เพ้อเจ้อพูดผิดเวลา<พ>ไม่รู้จักที่เริ่มที่จบเวลานี้เขากำลังซีเรียสเครียดกันอยู่นะคุณเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดอย่างเงี้ยเรื่องอ่า ในห้องน้ํามาพูดอย่างเงี้ยก็ไ ม, ไม่ไม่สมควรกับเวลาละค่ะมไม่มีหลักฐานอ้างอิงพูดลอยๆขึ้นมาไม่มีหลักฐานอ้างอิงอืมท่านเค้าแต่บางทีอ่าที่ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพูดตลกไม่ได้หมายความว่าต้องพูดเพ้อเจ้อเสมอไปอในกรณีที่สมมุติว่าพูดแล้วฟังขำๆแต่เป็นเรื่องที่ฟังเป็นเรื่องเวลาร้อยเรียงกันได้อันนี้ถือว่าเพ้อเจ้อไหมค ะ, ะไม่เพ้อเจ้อไง ก็คือหมายความว่าเราสามารถพูดตลกได้โดยที่ไม่ใช่วาจาเพ้อเจอ้อเนี ม, มีมุกตลกตั้งหลายอย่างที่มันไม่ใช่วาจาเพ้อเจอ้อแต่ทีนี้ดูจากความหมายของคําว่าเพ้อเจ้อที่ว่าแค่พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยนี่ดิฉันว่าพูดลําบากมากเลยนะค ะ, ะยกตัวอย่างให้คุณโยมติ๋วฟังค่ะอย่างไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยยังไงอย่างเช่นว่าธรรมเนี่ยก็มีหลายส่วนคือธรรมที่ควรรักกับธรรมที่ควรทําให้แจ้งใช่ไหมธรรมที่ อควรจะรอบรู้ก็มีเพราะฉะนั้นสมมติเราจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นธรรมะอย่างเช่นว่าตอนนั้นเขากำลังเครียดกันอยู่นะกําลังหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราพูดอะไรขึ้นมาที่เป็นเรื่องที่คลายความเครียดนี้ลงไปเอา้าทําไมจะไม่ดีเพราะว่ามันละนิวรณ์นี่ไม่เ ห, เหรอไหมเป็นสิ่งที่ ด, ดีด้วยซ้ำเพราะมันตรงเนี้ยแหละเป็นการพูดโดยธรร ม, ม, มก็ก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าให้จําหลักๆก็แล้วกันว่า ก, า, การที่พูด ไม่มีหลักฐานอ้างอิงเงนการกล่าวหาใครนี่ก็ถือว่าพูดเพอเจอสิคะก็ถ้ากล่าวหานี่มันก็จะเป็นส่วนของความหยาบด้วยเพอเจอร์ด้วยถ้าไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงน ะ, ะ, ะแต่ถ้าเขามีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วเขาต้องการจะเป็นลนักษณะการชี้โทษไม่ได้เพ่งโทษให้เสียหายแต่ชี้โทษเพื่อให้ปรับปรุงตัวไม่ได้มีเจตนาที่ทําให้เสียหายแต่ว่ามีเจตนาที่จะทำให้เขาดีขึ้นพัฒนาบ้านเมืองอันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่เพอเจอร์ไม่ใช่หยาบด้วย ดิฉัว่าคนฟังรายการแมนะ้กระทั่งตัวเองนะคะนี่ก็ขนาดพยายามแล้วยัง ม, มีคนรู้สึกว่าโันวันๆหนึ่งเราต้องพูดตลอดทั้งวันเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดไปบ้างละไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึง่งไม่เป็นอักเรียอะไรนะคบนิดช้าวาจาข้อหนึ่งน<ม>ี่แหละผู้ทีเจ้า บ, บอกนะคุณยมติว๋วต้องระว<ะ>ังเลยโทษห้าประการของคนที่พูดมากนะคือคือหนะึนะ่งคือพูดโกหก สพูดส่อเสียด3พูดเพ้อเจ้อสี่พูดคำหยาบในละ5ก็ไปนรกกาเนิดเดรัจฉาเปรตวิสัยคือถ้าถ้าพูดมากนะทีนี้อันนี้สองห้าประการของการพูดพอประมาณก็ตรงข้ามกันนะอันนี้สองห้าประการของการพูดพอประมาณก็ตรงข้ามกันคือไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไปสวรรค์สุกติโลกสวรรค์ทีนี้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเอ๊ะพูดมากในกี่คําพูดมากหรือว่า พูดน้อยเนี่ยพูดพอประมาณเนี่ยกี่คําพูดพอประมาณเราก็เอาตรงนี้แหละมาวัดคุณโยติวถ้าเมื่อไหรเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราเริ่มเริ่มพูดโกหกล้เริ่มพูดคําหยาบเริ่มพูดเพ้อเจ้อเริ่มพูดจ่อเสียดแล้วนะแต่ว่าอันนั้นคุณพูดมากเกินไปละให้หยุดอมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนคํานะอย่างสมมติรายการธรรมะอย่างเงี้ยพูดเป็นชั่วโมงไปแต่ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลยแต่พูดแต่ธรรมะล้วนๆไอ้เป็นพูดเป็นชั่วโมงนั่นน่ะก็ไม่ใช่พูดมากเพราะไม่มีมิจฉาวาจาเหล่านี้ แต่ถ้าเม่ไหร่เริ่มมีมิจฉาวาจาปูดออกมาถึงแม้จะเป็นคำสองคาแรกก็ตามนั่นคุณเริ่มพูดมากแล้วให้รีบเงียบซะแล้วว่าถ้าพูดน้อยเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งไปนรกได้เลยเนี่ก็โอกาสน้อยใช่นะคะอืคําพูดในเมื่อยังต้องใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอยู่ก็หนีไม่พ้นว่ามันยังต้องพูดกันอยู่พูดมากพูดน้อยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพูดถูกพูดผิดพูดไปสวรรค์ พูดตกจากสวรรค์นี่ก็อีกแบบหนึ่งทีนี้มีวิธีการพูดถ้าท่านจะให้หลักก็อยู่ในสี่ข้อนี้ใช่ไหมคะเบื้องต้นเพราะวันนี้ใช่ค่ะก็คงจะต้องเท่านี้ก่อนเพราะว่าท่านเตือนมาว่าเวลาหมดแล้วท่านฝั่งที่ครบรอบคะวันนี้เราก็ได้หลักในการพูดนะคะว่าการพูดโกหกเป็นยังไงพูดยาบเป็นยังไงพูดส่อเสียดเป็นยังไงพูดเพิรเจอร์เป็นอย่างไร แล้ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงการพูดแบบนี้ทั้งสี่แบบเสียเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอันตรายมากนะคะเราอาจจะได้โทษจากการพูดทั้งโทษเบาๆกับโทษหนักๆที่วา่าถึงขนาดพ้นจากความเป็นมนุษย์คือไปตกนรกได้เลยแต่ถ้าพูดดีนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเนื้อไปจากความเป็นมนุษย์ก็คือขึ้นสวรรค์ได้เลย วันนี้เราคงจะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพุทธบุตรแต่เพียงเท่านี้ น, นะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่า น, นฟังที่ครบค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรดูเหมือนกับว่าจะสามารถเอาพุทธวจนะของพระาศาสดานี้มาจับได้ทั้งหมดเลยนั่นเป็นความมหัศจรรย์มากจะไปกราบเรียนถามท่านพุทธบุตรในวันพรุ่งนี้ต่อกันแล้วกันนะคะว่าที่เรียกก็เป็นความมหัศจรรย์มากในะเราใชา้คำในการที่จะให้ความหมายให้คุณค่าของคําสอนของท้าพุทธเจ้า มากเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าคลาดเคลื่อนหรือเปล่าท่านจะได้ตอบเราให้กระจากในวันพรุ่งนี้นะคะท่านกำลังฟังรายการสันสนีสนทนดิฉัน ส, น, สนีินนาคพง์ซึ่งกำลังจะลารายการกันไปแล้วค่ะเพราะเวลาหมดติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุธทวัสสวัสดีค่ะ